สิกขาบทที่10เรื่องพระชัพพชี616สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันรามของอนาถาบินที่กะเศรษฐีเขตกรุงสวรรธีครั้งนั้นพว้ พ, พิสูจน์ฉัพพชีทําคําข้าวยาวพระบัญญัติสิบพึงทําความสาเหนียวว่าเราจะทําคําข้าวให้กลมเรื่องพระชัพพชีจบสิกขาบทวิพังพิสูจน์พึงทําข้าวให้กลม ภิกษุใดไม่เอื้อเฟื้อทำคำข้าวยาวต้องอบัติทุกกฎพณะาปฏิวารภิกษุต่อเพนี้ไม่ต้องอบัติคือ1นภิกษุไม่จงใจ2อภิกษุไม่มีสติ3าภิกษุผู้ไม่รู้4ีภิกษุผู้เป็นไข้5ภิกษุชั้นของเคี้ยว6กภิกษุชั้นพลไม้ต่างๆ7จภิกษุชั้นแกงอ่อม8ปภิกษุผู้มีเหตุขัดข้อง 9. ภิกษุวิกลจริต10บภิกษุต้นบัญญัติสิขาบทที่10จบ สักกัจจวักที่สจบ